สิกขาบทวิพังสามร้อยเคำว่าภิกษุไม่เป็นไข้พึงยินดีการปรวรณาด้วยปัจจัยเพียงสี่เดือนความว่าพึงยินดีการปรวรณาเพียงขีฬานปัจจัยแม้เขาปรวรณาอีกพึงยินดีว่าเราจะออกปากขอในเวลาที่เราเจ็บไข้แม้เขาปวรณาไว้าวาเป็นนิดพึงยินดีว่าเราจะออกปากขอในเวลาที่เราเจ็บไข้คำว่าถ้ายินดีเกินกว่ากำหนดนั้นความว่า การภาวณากำหนดเพศสัตว์ไม่กำหนดราตรีก็มีการภาวณากำหนดราตรีไม่กำหนดเพศสัตว์ก็มีการภาวณากำหนดทั้งเพศสัตว์ทั้งราตรีก็มีการภาวณาไม่ได้กำหนดเพศสัตว์ไม่กำหนดราตรีก็มีที่ชื่อว่ากำหนดเพศสัตว์คือเขากำหนดเพศสัตว์ไว้ว่าข้าพเจ้าปาวนาด้วยเพศสัตว์เพียงเท่านี้ที่ชื่อว่ากำหนดราตรีคือเขากำหนดราตรีไว้ว่าข้าพเจ้าภาวนาในราตรีเพียงเท่านี้ ที่ชื่อว่ากําหนดทั้งเพศสัตว์กําหนดทั้งราตรีคือเขากําหนดเพศสัตว์และกําหนดราตรีไว้ว่าข้าพเจ้าปรณาด้วยเพศสัตว์เท่านี้ในราตรีเพียงเท่านี้ที่ชื่อว่าไม่กําหนดเพศสัตว์และไม่กําหนดราตรีคือเขาไม่ได้กําหนดเพศสัตว์และไม่ได้กําหนดราตรีไว้